อากังคมาณะฉักกะว่าด้วยสงมุ่งหวังจะลงอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาก์หกหมวดหมวดที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายสงเมื่อมุ่งหวังพึงลงอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาหแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สามคือ 1. ก่อความบาดหมาง ก่อความทะเลาะก่อความวิวาทก่อความอื้อเฉาก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ 2. งโง่เขลาไม่ฉลาดมีอาบัตมากต้องอาบัตกาหนดไม่ได้ 3. อยู่คลุกคลีกับขรหัดด้วยการคลุกคลีกับขรืหัดที่ไม่สมควรภิกษุททั้งหลายสงฆ์เมื่อมุ่งหวัง พึงลงอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แลหมวดที่2ภิกษุทั้งหลายสงเมื่อมุ่งหวังพึงลงอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปแก่ภิกษุผู้ประกอบอาชีพด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งคือ 1. มีศีลวิบัติในอธิศีนสองมีอาจารยวิบัติในอัชาจารย์สามมีทิฏฐิวิบัติในอติทิฏฐิภิกษุทั้งหลายสงฆ์เมื่อมุ่งหวังพึงลงอุเเขปนิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แลหมวดที่สาม ภิกษุทั้งหลายสงเมื่อมุ่งหวังพึงลงอุเขปณียรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปแกภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งคือ 1. กล่าวติเตียนพระพุทธเจ้า 2. กล่าวติเตียนพระธรรม 3. กล่าวติเตียนพระสงฆ์ภิกษุทั้งหลายสงเมื่อมุ่งหวัง พึงลงอุกเขปปณยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แลหมดที่4ภิกษุทั้งหลายสงเมื่อมุ่งหวังพึงลงอุคเขปปณยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปแก่ภิกษุสามรูปคือ 1. รูปหนึ่งก่อความบาดหมางก่อความทะเลก่อความวิวาท ก่อความอื้อเฉาก่ออธิกรณ์ในสงฆ์สองรูปหนึ่งโง่เขลาไม่ฉลาดมีอาบัตมากต้องอาบัตกำหนดไม่ได้สามรูปหนึ่งอยู่คลุกคลีกับขรหัดด้วยการคลุกคลีกับขรหัดที่ไม่สมควรภิกษุทั้งหลายสงฆ์เมื่อมุ่งหวัง พึงลงอุเขปนณิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปแก่ภิกษุสามรูปเหล่านี้แลหมวดที่ 5- ภิกษุทั้งหลายสงเมื่อมุ่งหวังพึงลงอุกเขปนณิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปแกภิกษุอื่นอีกสารูปคือ 1. รูปหนึ่งมีศีลวิบัตในอธิสิน สรูปหนึ่งมีอาจาระวิบัติในอัชชาจฉาริจสามรูปหนึ่งมีทิฏฐิวิบัติในอติทิฏฐิภิกษุทั้งหลายสงเมื่อมุ่งหวังพึงลงอุเกเขปนิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปแก่ภิกษุสามรูปเหล่านี้แลหมวดที่6ภิกษุทั้งหลายสงเมื่อมุ่งหวัง พึงลงอุเขปนิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปแก่ภิกษุอื่นอีกสามรูปคือ 1. รูปหนึ่งกล่าวติเตียนพระพุทธเจ้า 2. รูปหนึ่งกล่าวติเตียนพระธรรม 3. รูปหนึ่งกล่าวติเตียนพระสงฆ์ภิกษุทั้งหลายสง์เมื่อมุ่งหวัง พึงลงอุเขปณยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปแก่ภิกษุสามรูปเหล่านี้แลอากังขมานะฉักกะในอุเขปณยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปจบ